ทังที่เคารพคะเรากลับมาพบกันขอโทษทีค่ะท่านฝั่งที่เคารพคะท่านกำลังฟังรายการสัสนิษฐานาที่นี่นะคะสถานีวิทยุ f m ฟเอสถานีวิทยุในเครือของฐานเรือแล้วก็สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะก็เป็นรายการที่เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดภักเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองวันนี้ ได้เวลาที่จะพบกับพระไพโบลอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธา น, นีกันแล้วนะคะช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะค่ะน้ัสกายนทั้งค่ะได้เดลพอค่ะ <Okay. S 1> อ๋อคุณสมรุษไทยแล้วก็จบแล้วคุณเหลือคุณอุมาพรนะท่านค่ะ <Okay. S 1> คำถามท่านฟังค่ะสำหรับคําถามวันนี้ของคุณอุมาพรที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยคุณอุมาพรก็ออกตัวว่า ขอเล่ายาวนิดหนึ่งดิฉันจะเล่าเต็มเลยนะคะว่ า, าคุณพ่อคุณมาพรเนี่ยอายุ66ปีป่วยเป็นพากินสารมา5ปีได้รับบาดเจ็บจากการหกล้มบ่อยๆเพราะว่าส่งตัวไม่ดีจากโรคที่เป็นอยู่เพราะท่านไม่ยอมนั่งเก้าอี้สำหรับคนพิการวิลแชร์เนี่ยนะคะคุณแม่ต้องอยู่ดูแลคอยประคองเวลาเดินแต่ทุกครั้งที่คุณแม่เผลอท่านก็หกล้ ม, มศีรษะแตกบ้างข้อศอกหัวเข่าแตกบ้างเคยจ้างคนมาดูแลแต่คุณพ่อไม่พอใจ คุณแม่ก็เลยต้องดูแลส่วนลูกๆก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดตอนเนี้คุณพ่อทรุดโทรมมากดิฉันกลับไปเยี่ยมท่านทุกเดือนกลับบ้านเห็นสภาพคุณพ่อก็เป็นทุกข์สงสารท่านมากไม่รู้จะช่วยอย่างไรตอนเนี้ก็ได้แต่ทําสมาธิเพียรภาวนาให้ท่านสุขภาพดีขึ้นคุณพ่อมีจิตกังวลอยู่มากต้องทานยาคลายเครียดและยานอนหลับยาช่วยได้บ้างเล็กน้อยแต่ดิฉันอยากให้คุณพ่อทําสมาธิเป็นเคยสอนให้ท่านมีสติอยู่กับลมหายใจบริกรรมพุโทโธท่านก็ทําไม่ได้ท่านบอกว่า ภาพในอดีตและเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านไม่สบายใจจะวนเวียนเข้ามารบกวนท่านตลอด hmm. ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่ากรณีคุณพ่อของดิฉันควรจะแนะนำวิธีทำสมาธิอย่างไรคะใจจริงอยากพาคุณพ่อไปที่วัดดอนหายโศกและเรียนการทำสมาธิโดยตรงแต่สุขภาพของคุณพ่อแย่มากเดินทางคงลำบากจึงขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยคีทางสว่างให้ด้วยคะ่ะ hmm. คือนี้มีอยู่2ประเด็นที่จะพูดถึงเรื่องนี้อันเรื่องแรกก่อนอมีครั้งหนึ่งที่มีชาย2องคนคเขาเป็นอายุาย120ปีแล้วชายแก่2คนอายุ120ปีเนี่ยก็มีความกังวลมาเอ๊ะตัวฉันนี่ไม่ได้เคยทําความดีเลยไปตั้งแต่เกิดมาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยแก่จนป่านนี้แล้วเนี่ยยี่ปีแล้วเนี่ยมีความกลัวว่าไม่ได้เคยทําความดีไม่ได้สร้างที่ยึดก่อแห่งพูดที่จะไปที่ดีเอาไว้เนี่ยจะแก้ปัญหนานี้ยังไง พ <Okay. S 2> ระเจ้าเลยให้อุบายเอาไว้นะส อ, อย่างคืออันแรกเนี่ยให้ถวายทานแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเปรียบเหมือนไฟที่กําลังไหม้บ้านอยู่นะอะไรที่เอาออกได้เนี่ยอันนั้นเป็นของเราเหนไหมอะไรที่เอาออกไม่ได้ไม่เป็นจุดหมดเหมือนการกายของเรานี้เป็นกายที่กําลังถูกความแก่และความตายไหม้อยู่นะอะไรที่เอาออกได้เป็นของเราทานใช่ไหมทรัพย์สบมบัติเอาออกได้อันนี้จะเป็นบุญที่เราเอาไปใช้ได้ เนะ <Okay. S 1> นียนที่หนึ่งและประการที่สองพระเจ้าก็แนะนำให้ใช้สิ่งที่เรียกว่ากายวาจาใจอันเป็นสุจริตนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการที่จะไปที่ดีๆต่อไปอันนี้ <Okay. S 1> คือประเด็นแรกนะที่จะพูดถึงคนที่ป่วยลักษณะนี้หรือคนที่แก่แล้วเนี่ยียายุมากแล้วและมีความกังวล อันที่2ก็คือประเด็นเรื่องของว่าควรจะทําสมาธิอย่างไรคือโดยมากคนที่มีอายุมากเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เคยฝึกการทําสมาธิมาก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าให้ทําสมาธิให้ทําสมาธิเนี่ยท่านจะไม่เข้าใจหรอเอาแค่ว่าสมาธิวิปัสสนาได้ยินฟั ง, ฟงคํานี้แล้วก็เริ่มหมุนละง่ายๆเลยที่พระเจ้าแนะนําเลยนะคืออย่างลูกคุณอยมาพรจะแนะนําคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องพูดเลยคําว่าสมาธิไม่ต้องให้มีคํานี้เลยให้ท่านเนี่ยมี ถามท่านว่ารู้เราหายใจไหมหายใจเข้าแล้วรู้ไหมหายใจออกรู้ไหมว่าหายใจออกอยู่แค่นี้พออันเนี้ยคือสมาธิแล้วค่ะ <Okay. S 2> นะเพราะว่าถ้าพูดมากแบบานี้ท่านจะงง <Okay. S 2> เอาแคว่าท่านรู้ไหมว่าหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่รู้อ่าพอใจอ่ารู้อย่างนี้ไปเรื่อยแค่นี้เองแล้วก็ถ้ามีความคิดอะไรอะไรขึ้นมาน ะ, ะพ่อไม่เป็นไรนะคิดให้มันคิดไปเดี๋ยวเราก็มา รู้ลมหายใจก็พอก็คอยถามอยู่ว่ารู้ลมหายใจไหมแค่นั้นเองอ๋อก็เป็นคุณสมบายง่ายที่สุดค่ะความจริงแล้วคําตอบของพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ท่านอาจารย์เอามาบอกเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าช่วยให้แสงสว่างกับอีกหลายๆคนได้เหมือนกันเพราะว่าคนเรานี้ก็แปลกดิฉันเองก็เป็นแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็น เหมือนกับพอไปเจออะไรที่เรามีความรู้สึกอโหมะมันเป็นศัพท์เทคนิคนะมันเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วมันยากอะ่ะชีวิตชันนี่คงทําไม่ได้แน่ๆเคยลองทําแล้วทําไม่ได้ไดเช่นเดียวกันกับคําว่าสมาธิบางคนมองดูว่าในเมื่อบอกว่าโอ้โหสมาธิเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยเป้าหมายปลายทางสูงสงเลยนะไปนิพพานได้เลยพ้นทุกข์อย่างถาวรได้คนก็เลยมองว่ามันต้องเป็นของใหญ่ของยากของพิเศษมหัสัจจรรั์ที่เราซึ่งเป็นคนธรมธรมดาๆเนี่ยทำไม่ได้ แต่จริงๆแล้วฟังจากอย่างนี้นี่ใช่เรื่องเดียวกันไม่ใช่ลดหย่อนมาให้ง่ายเข้านะคะเหมือนกันเพราะว่าเราพูดถึงเหตุความเป็นเหตุเป็นผลไงค่ะคุณมีสติในลหมหายใจเป็นเหตุผลของอันคุณมีความรู้อยู่ในลหมหายใจเป็นเหตุเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกอันนี้เป็นเหตุนะของผลอะไรของผลคือความมีสติถ้าภาษาอังกฤษเขาบอก contemplating in breathing inhale n e x h a l e เ, เข้าเข้าออก contemplating นะคือการทำในใจการที่เรารู้อยู่ผลคืออะไร mindfulness ผลคือสติเนเอาบอาสติเป็นเหตุของผลคืออะไรของผลคือสมาธิก็ได้ของผลคือโพชฌงเจตก็ได้ของผลคือวิมุตตก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องไปลดย่อนมากไปกว่าเดิมเลยแต่นี่อธิบายให้ง่ายเข้า<ช>โดยแยกหเหตุกับผลใช้ลดสับเทคนิคลงคเข้าไปที่เหตุเบื้องต้นมาขึ้น ค่ะอะล่ะทีนี้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องพูดคำว่าสมาธิเพื่อไม่ให้ท่านเครียดให้ถามว่าลมหายใจที่ในขณะที่ทุกคนยังมีชีวิตอยู่ยังต้องมีอยู่เนี่ยรู้ไหมเขาต้องรู้แน่นอนนะคะไม่รู้ขาเข้ารู้ไหมขาออกรู้ไหมเอาขนาดแค่ว่าอาตมาเคยไปเยี่ยมคนที่ใช้เครื่อง respiration เครื่องช่วยหายใจที่มันจะมีปั๊มฟืดฟาดฝุดาดนี่นะเขายังรู้เลยว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่เขายังตามได้ มันะะไม่ไมีมมมผลข้าอ้างได้แล้วก็ในการที่ะจะต้องคอยคอยให้ท่านทำให้ถูกต้องอยู่เช่นเวลาถ้าเป็นภาษาทั่วไปเวลาจิตเราส่งออกมีความเพลินเข้ามาใช่ไหมคะอย่างที่เราใช้กันบ่อยๆในรายการนี้คือเรื่องของความเพลินคำว่านาันทิเนี่ย แทนที่จะไปใช้คํานั้นเดี๋ยวคุณพ่อก็นกึกว่าพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่เคยรู้จักหรือเปล่านันทีนะคะก็ใช้คําง่ายๆว่าถ้ามีความคิดอะไรเอให้ละเสียแล้วคือไม่ต้องพูดให้แค่พูดแค่ว่ า, าให้มารู้ลมหายใจอยู่เหมือนเดิมนะคะมีความคิดอะไรให้มารู้ลมหายใจอยู่เหมือนเดิมถ้าจานคะทีนี้พวกเราก็ฟังแล้วรู้สึกแหมง่ายจั ง, ง ย, งยถ้า ง, ง่ายอย่างนี้เราก็ไม่ไปนั่งสมาธิแบบเดิมแล้วอันนี้ เหมือนกันหรือต่างกันยังไงได้หรือไม่ได้อย่างไร ค, ค่ะคือคือปัญหาที่หลายท่านอาจจะเผชิญอยู่คือเรื่องของความที่ยึดติดในรูปแบบของการทําสมถาวิปัสสนามากเกินไปรูปแบบเนี่ยบางคนบอกต้องห้องพระนะต้องตอนเย็นนะต้องนั่งท่าทับซ้ายดับตาเท่านั้นนะถึงจะทําได้มันไม่ใช่การบรรลุธรรมเนี่ยมีได้ทุกขณะจิตพระพุทาพูดถึงว่าการตัณหาเนี่ยมีอยู่ในที่ใด นะก็คือสิ่งใดมีความรักเป็นมีความที่น่ายินดีตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเมื่อจะรับได้ย่ำรับได้ในที่นั้นอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจ <Okay. S 1> ความรู้สึกต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงเกิดโรคผลสะพความตริตรึกความนึกความเวทนาต่างตที่เกิดจากพวกนี้ทั้งหมดละได้คือจบบรรลุเป็นประการได้เพราะฉะนั้นผัสสะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฟังวิทิตรอยู่เนี่ยหรือว่าขับรถอยู่เนี่ยมีผัสสะตลอดเวลา น, น, นั่นแหละคือจังหวะที่จะสามารถ บ, บรรลุธรรมได้ ถ้าปล่อยวางได้นะคะอืมไม่ต้องติดยึดรูปแบบไงเท่ากับว่าต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องท่องแท้ที่สาระมไม่ใช่ว่ารูปแบบสาระคือการที่จิตเรามีสมาธิแล้วเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิเลส ท, ทั้งปวงการพยาบาทเบียดเบียนอย่างนั้นถูกไหมคะอะ่สาระก็คืออันนี้ถูกต้องการที่จะทาอย่างนั้นได้เนี่ยคุณจะต้องปล่อยวางภาษาที่มากระทบได้ คนจะปล่อยวางภาัษสาที่มากระทบได้ต้องเห็นภาัษานั้นตามได้เป็นจริงว่าไอ้อันนี้ไม่ใช่ของเราไอ้มันไม่เที่ยงควรจะมีจิตอย่าง น, นคนจะทำงานได้คุณต้องมีจิตเป็นสมาธินั่นแหละจิตเป็นสมาธิแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้สบายใจกันเสียดิฉนเข้าใจว่าอย่างนี้หรือเปล่าคะ ไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้างั้นบางคนบอกเอาแล้วทำไมล่ะบางทีก็มานั่งอ่านพระสูตรให้ฟังอย่างท่านมาร์กเนี่ยนั่งอ่านทุกวันเลยเ<อ>ว่าให้คู่ขายเข้ามาตั้งกายตรงอะไร <นำ S 1> อย่างเงี้ยนะคะ <นำ S 1> ดํารงสติเฉพาะหน้าเนี่ยก็เป็นการปฏิเสธสิ่งที่พระุธองค์สอนหรือเปล่าอแต่จริงๆแล้วทีฉันเข้าใจอันนี้จะถามท่านพิบูล น, นะคะเป็นความเป็นคําถามส่วนตัวที่คิดว่าหลายท่านอาจจะสงสัยเหมือนกันก็คืออันนี้เท่ากับว่า เป็นการให้เรามีมีทางเลือกแต่ข้อที่หนึ่งต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนไม่งั้นมันก็ผิดตลอดอยึดติดกับรูปแบบตลอดใ ช, ใช่ไหมคข้อที่หนึ่งทำความเข้าใจให้ถูกต้องและถัดมาคือว่าเราเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดใช่จะทําให้เราก้าวหน้าได้มากที่สุดอย่างนั้นเปล่าคะถูกต้องถูกต้องก็คือการมันต้องแยกเป็นการฝึกก่อนสมมุติว่าทหารจะไปออกรบเนี่ยคุณต้องฝึกในค่ายก่อนนี่หร่าการใช้อาวุธการ เครื่องแบบกฎวินัยคุณต้องรู้นะแล้วคุณจะไปออกรับได้แล้วนะเปลี่ยนเหมือนกันจิตของเราเนี่ยเวลามันเจอผัสสะอยู่ในที่ทํางานเจอคนดา่าพูดไม่พอใจในที่ประชุมนี่ก็ว่าเรามีปัญหาในหน้าที่การงานนี่คือการออกรบหมดแล้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมจิตยังไงฝึกจิตยังไงให้อาหารจิตยังไงเพื่อที่จะพ ร, ร้อมรบ กลับบ้านมานั่นสมาธิซะหน่อยสวดมนต์ซะหน่อยหนังสือธรรมะซะหน่อยฟังรายการนี้ฟังรายการธรรมะซะหน่อยอันนี้เป็นการฝึกการให้กําลังจิตลักษณะเดียวกันอาจจะนั่งสมาธิก็ได้นะจะหลับตาก็ดีบางคนไปสวดมนต์บางคนมาฟังธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้ได้เป็นการฝึกจิตไงค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการผ่านพ้นไปสําหรับคําถามของคุณอุมาพรที่เป็นคน อยากจะช่วยคุณพ่อนะแล้วก็ให้ทานให้ทานจะช่วยได้ถยทานนะคะเรื่องของการให้ทานก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแนะนำในสิ่งที่ดิฉันเข้าใจว่าเหมือนกับเป็นเป็นเป็นเาเรียกว่าเป็นที่ภาษาไทยเพื่ออะไรเป็นที่พึ่งว่าเครื่องยึดเหนี่ยวในการที่จะไปในในที่ที่ดีได้คือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปด้วย วิธีที่คนอื่นเขาไปกันถ้าไปไม่ไหวพระพุทธองค์บอกให้ถวายทาน ใ, ให้กายวาจาสุจริตใช่คะถวายทานกายวาจาสุดจริต ค, คือสละละวางให้ได้นั่นเอง mm hmm. ท่านคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันเองได้จังหวะเห็นท่านอธิบายบางอย่างมีสับแสงภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยเนี่ย mm hmm. ก็เลยเกิดนึกขึ้นได้ว่าเผื่อจะเป็นโอกาสของคนที่อยากจะให้คนรู้จักเนี่ย ซึ่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่อยากเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ท่านยังจัดรายการวิทยุภาพษาอังกฤษอยู่ด้วยหรือเปล่าคะใช่ใช่รายการวิทยุภาพภาษาอังกฤษก็จริงๆแล้วทุกสัปดาห์ที่สเป็นเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่3ของเดือนวนะันอาทิตย์ที่3าของเดือนทางเรเดีโอไทยแลนด์ เ็จะมีอยู่3มคลื่นที่เป็นแม่ขาย FM 88 FM 95.5 แล้วก็ FM 107แล้วก็ AM ที่918า่ทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนตอน8โมงถึงแปดโมงครึ่งตอนเช้าหลังครบตรงชาติอันนี้ฟังพร้อมๆกัออบคนทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่า AM 918น่เนี่ย<อ> น, น่านจะมี <3 S 1> ช่อง <3. S 1> ทางในการที่ขึ้นคลื่นสั้นด้วย ก็ลองฟังกันดูลองบอกคนที่เขาถนัดฟังภาษาอังกฤษกันดูหรือบางท่านเนี่ยเป็นคนที่อยากจะไปพูดธรรมะให้คนอื่นฟังไม่รู้ว่าภาษาธรรมะแบบนี้ภาษาอังกฤษแปลว่าอย่างไรการฟังบางทีก็ได้ประโยชน์เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์ที่3ที่ผ่านมาก็อธิบายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า dependent origination ธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอธิบายเรื่องนี้อยู่เอ๊ะท่านคะแล้วอย่าง เทพเสียงของวิทยุประเทศไทยใช่ไหมคะเรียลไทยแลนด์เนี่ยได้มีการนำเอาขึ้นไปเป็นสื่อสำหรับให้คนได้ดึงเอากลับมาฟังอีกอทางอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าคะจริงๆเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเลยทั้งรายการเอฟอ็ม106เปิดทําที่ถูกปิดแล้วก็ช่วงของอธรรมะทอล์เนี่ย ธรมาท่องวันอาทิตย์เป็นที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีเป็นลักษณะของพอดแคสต์อยู่ในเพียวธรรมะ .com ก็มีทุกสิษย์ที่จะรับทําตรงนี้ให้ก็สามารถไปดาวน์โหลดมาฟังได้ย้อนหลังได้ฟังจริงๆทุกวันฟังในนั้นเลยก็ได้ทันทีดาวน์โหลดลงมาติดตัวไปฟังที่ไหนก็ได้นะคะ<ช>อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสในการเข้าถึงธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการภาพภษาอังกฤษของพระภัยบุญอภิปุโน วัดป่าดอนหายโสอุดรธานีนั้นเป็นรายการวิทยุเช่นเดียวกันนะคะเป็นการจัดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาพสาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าเรดิโอไทยแลนด์ฟังทาง FM ได้3คลื่นมี88 95.5 107ทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกานาทีหรือท่านจะฟังที่คลื่น AM ก็918นะคะ 918เราจ ะ, ะมาจะรับของของเขาเนี่ยันสัปดาห์ที่5ด้วยถ้ามีถ้าเดินไหนมีสัปดาห์ที่5ก็จะมีสัปดาห์ที่5อ๋อค่ะนะค ะ, ะกะ็โปรดรับทราบไว้ทั่วกันแล้วก็ได้เวลาที่ จะลาไปแล้วสำหรับรายการภาพภาษาไทยของเราเนี่ยนะค ะ, <c oughs> คะท่านเพบูลณ์อ่พี่ปุณโนวัตนปารดอนไฮโสอุดอนธา น, นีนะคะนมัส ก, การขอบพระคุณท่านมากค่ะ ท, คท่านฟังค่ะส่วนเรื่องของเรานะคะรายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพงเป็นผู้ดำเนินรายการ <c oughs> อยากให้ท่านถามคำถามเข้ามาเยอะๆค่ะ <c oughs> ท่านจะถามไปที่เพียวธรรม .com/106 ของท่านเพบูวบ์ที่ไปฟัง เสียงของรายการต่างๆซ้ำได้ดาวน์โหลดลงมาได้อันนั้นก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการโทรศัพท์มานะคะที่022690006สถานีวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้ก็ได้ค่ะเป็นที่เดียวกันกับที่เราแจกแผ่นพับตถาคตภาสิทธิ์และหนังสือในชุดของพุทธวจนะจากพระโอตร์รวมไปถึงแผ่นซีดีชุดก้าวย่างอย่างพุทธะ ที่ดิฉันได้บันทึกเสียงเอาไว้เองด้วยนะคะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวสวัสดีคะ่ะ